การศึกษาชีวิตการจัดสารให้เกิดปัญหาที่ดีนั้นก็ชีวิตเรงนปัญหาการเป็นอยู่ได้สาระไม่ยังมีเป็นจันทรนสามจัดเวกานได้เจอมาตอต่งแก่กันยังยิ้ก็ะงเจ็บแล้วก็ตรงตายก็จากกันไป ไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าคนแก่คนเฒ่าคนได้สติขาดสัญญาเท่านั้นไม่จําเป็นคุนแก่คนเฒ่าแผ่หนุ่มสาวยังเด็กนน้อยยังเป็นผู้น้อยก็ต้องตายตามอายุที่เกิดมาได้ตามสัญญ า, าตามกฎแห่งก ร, รมจากการกระทำของเขาเท่านั้นก็ย่อมตายไม่เท่ากัน ความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันก็ถานะต่างโดยการเป็นอยู่แล้วยังไม่เพียงพอต่างสถานะต่างจิ่ฐานต่างกรรมต่างการกระทําต่างจิตต่างใจต่างสติปัญญาไม่เท่ากันการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันการจะมีเงินมือทอง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 แต่รวมเรียกว่ามนุษยชาติด้วยกันเป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์จะเป็นชาติใดาภาษาใดาาาก็ตามเราพิจาจณาสอนว่าเป็นมนุษย์ชาติที่มีปัญญาฝีอากาศโดยฐานเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญาแต่การมีปัญญาของมนุษย์ก็แยกประเภทไปปัญญาก็ไม่เท่ากันอีก บางคนก็ไรปัญญาเหลือเกินไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ประการใดก็มากหลายไม่ใช่หมายความว่าคนเราเกิดมาจะต้องมีปัญญาดีเหมือนกันทุกคนแค่ต้องมีความรู้ดีเหมือนกันทุกคนก็ไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปถ้าเราไม่เรียนไม่หาวิชาความรู้มันก็ไม่มีความรู้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 ให้มันได้ชัางคู่ทังทั้งโลกคือปัญญาปัญญาทางโลกคือประกอบอาชีพการงานประกอบอาชีพใช้ประกอบอาชีพโดยใช้ผลงานในการอยู่ทางโลกแต่แล้วปัญญาทางธรรมก็จําเป็นประจำชีวิตของเรามากประจำชีวิตอย่างไรเพราะปัญญาทางธรรมนั่นมันแก้ปัญหาได้เรียกว่าโลกุตละธรรม โลกียตปัญญาโลกุตระปัญญ า, าของประการกนี้ึ่งคู่กันเราอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็สายพึ่งโลกเราจะพึ่งโลกเนี่ยตลอดไปก็มไม่ยด้ต้องพึ่งธรรมด้วยธรรมะแปลว่าความดีในธรรมชาติมีดีในตัวของมันเองปัญญาคนเรามีดีในปัญญาเรียกว่าปัญญาในตัว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 อายุบดรุนมีอย่างเข่าพิพาพิพเขาเบญญาเพศที่ย 25, ีาหรือ3านสุดที่สิบเก้าเขาสีสุดระการใดมันก็ตามวัยตามธนกษาตามโอกาสเวลาที่อยู่มันนานมากไม่เหมือนกันอายุเราจึงไม่เท่ากันเราอยู่มันมานานกว่าเขาก็เลยหวงใจกว่าของเขา มาทีหลังก็อายุน้อยน้อยกว่าเขาแต่เราเกิดในรุ่นเดียวกันในปีเดียวกันสาหัสชาติเดียวกันมันก็เกิดปีเดียวกันเดือนเดียววันเดียวกันเรียกว่าสาหัสชาเกิดในวันเดียวกันเดือนเดียวปีเดียวกันถึงเกิดเดือนเดียววันเดียวปีเดียวกันมันก็ยังไม่เหมือนกัน ดีไม่เท่ากันเพราะจากการกระทำจากกฏแห่งกรรมของเขาเหล่านะั้นจนเหมือนกันไม่ได้คนเราดีไม่เท่ากันขั่วไม่เท่ากันเพราะการกระทำของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนมีข้างดีมีปัญญามาจากข้างอดีตชาติแล้วมันจะให้มาเกิดในบ้านเกิดที่บ้านความดีมีปัญญา จากความดีที่ได้มาเกิดปาฏิพนทิจากการกระทำมาเกิดตามบ้านตามเหตุการณ์ตามปฎิเหกรรมถูกไหมนะถ้าบางคนมีเวรมีกรรมม า, มากเศรษบาปติดมาก็จะไปเกิดบ้านที่มีเวรมีกรรมเกิดได้บ้างคนบ้านคนที่มีคนจริตคนไปโลกประสาทแต่คนนั้นกรรมติดตามมา กรรมสําคัญมากภรรยานางวาปาปะกงวาการกระทําทของเขาไม่เหมือนกันกฎแห่งกรรมนั้นไม่เหมือนกันคนที่ได้มาจากพระจุตจากสวรรค์จากวิญญาณแม่แดนสวรรค์ก็จะมาเกิดบ้านที่เป็นสวรรค์ด้วยกันแต่คนนาวจากเมืงองนลกจิตใจสกปรกรามกมากมายก็ตจะไปเกิดในบ้านเมืองนรก ห้ยสกรปรกทั้งบาทบางไหนท่าจิตใจสะอาดกล่าวะจากมนทนมนเพีย้ยนจะยากดีมีจนเงินทองไม่สำคัญทำจิตใจสะอาดถวทมนไหวพระไหวเจริญพระกรรมฐ า, านาจะมีบุตรทีดัจิตใจสะอาดดีไม่สกรปรกแล้ว จะเห็นได้ภาพเดิมจิตสะอาดบริสุทธิ์สงบสว่างสะอาดนักปลาชก็จะมาเกิดในตันนั้นบางหน่เจิดใจสกปรกลามกอยู่ตลอดในการไม่สะอาดไม่เจริญสมาธิไม่เคยบำเพ็ญจิตภาวนาจิตใจไม่สะอาดขาดความมีมนทิน ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, มไมสว่างกะอาดตกกระปรกปัดนรกก็จะมาเกิดในบ้านนั้นมากมายปัดนรกเกิดจะได้รู้ได้พัดว่าเสียงพอเพียงแม่ทํำมาตกว่าออแม่มาบนก็ที่วัดนี้เสมอว่าได้ลูกมไม่เลี้นงดั่งเื้อไม่สนใจในการรักการเรียนแต่อาจารย์ใดมันก็ออกมาทํานองนี้ชัดเจนมาก นี่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันนี้ชัดเจนนะคนเราเนี่ยถ้าจะเอาดีไม่ได้มันจะไม่เอาแต่ต้นทนยังไงก็ไม่เอาดีไม่ได้ตลอดการตลอดกันทั้งตายสียใายผิดหวังอย่างน่าที่ได้เราเกิดมาหดโลกมรที่ไม่สนใจอะไรท้งนั้นแล้วนี่ถ้ท่านหญิงท่านชายอุบาสกอุปิกาทั้งหลาย อยากดีมีจนเรายังหนุ่มยังสาวกว็จับแต่หาความดีเข้าไให้ได้เราไม่เดือดแหวงหาความดีไม่จะเรียนบุศนบุญยาลาสืยสร้างบุญสร้งางกุศลให้กับตนแล้วอายุมากขึ้นับผิดหวังกะเสียดายอย่างน่าใจหายแล้วก็เราจะชิดได้ต่อภายหลังแล้วก็จะแก้ไขไม่ได้อายุมันมากแนละ้ว ผ่านมามากมายแต่เราก็จะตายในโอกาสหน้าในอนาคตสัน้นจะอยู่ไม่ยาวไม่นานจะเป็นที่นาที่ได้ต่อไหลังมากเกิดมาท่้งทีเราก็เอาดีไม่ได้การเจริญระตรร ม, มาฐานะเป็นการสร่างความดีในชีวิตมากทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เราได้ค่วแก้ไขปัญหา ทำให้จิตใจเราสะอาดสะพรัอมทำอะไรก็ไม่โ ก, กรกทำอะไรก็ไม่ก่อบาก่อความเด็ดร้อนในอนาคตชีวิตจับจองลงใสใจก็สะอาดปฏิจาสมนุนไพรกับหมองจะได้ปลองดองอยู่ในจิตใจจิตใจก็ล่าเลิตบันเทนิงทมอาจหาในธรรมสำมาปฏิบัติในหน้าที่ก็หลอเลาบางคนไม่เอาเลย เสียดายด้วยเสียใจด้วยแตท่านจะเสียกายต่อเมื่อกลยจะตายที้โหมท่านเองว่าเราเนี่ยที่นั่นผานมาอย่างผิดหวังไ ม, ม่โอกาสที่จะสร้างความดีเข้ได้แล้วความดีก็สร้างไม่ได้นี่อย่างท่านทั้งหลายตัมมาเห็นใจมากนะคนที่ดีมีอปัญญาทํำยังไงไมันก็ดีแต่ตั้งแต่ต้นคนปลาย ไอ้คนที่เกนเนี่ยมันก็แก่ไม่ได้หรอกนี่ยทำยังไงมันก็แก่ไม่ได้มันก็ดีไม่ได้ตลอดจะดา่าจะวา่าจะยังไงจะกั่งสอนยังไงมันก็ไม่เอาเพราะตะกัวทองแดงเสพยังไงก็เป็นทองคําไม่ได้แน่นอนแต่ชาติทองคําแล้วไม่กองไปเสพไม่กองเปล่ากาตู้อุดจะขุดหลุมฝังมันยังกลังทางตลอดเลยการทํายังไงก็ไม่ดา DM, เพรมาเป็นทองคาให้กตะปวทองเหลืองทองแดงเศษยังไงขัดสีฉวีวันยังไงมันก็ไม่สามารถจะกระชังกระชังหรือหลังให้สวยงามได้เด bon. ี๋ยวมันก็ดาตามเดิมอันใดก็ฉะนั้นคนที่เอาดีไม่ได้แล้วก็ทำยังไงก็ดีไม่ได้อีก ก, กันสาทุกชนพูทธบริษัททั้งหลายเป็นที่นาทินายชีวิตของเราที่เราผ่านมาและผ่านไปแล้วก็ น, น่าทินายผ่านไปอย่างน่าทินายไม่ได้เก็บของดีกับไว้ไม่ได้สร้างความดีแต่จิตใจแต่ประทัดใดความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นแต่ตัวเราเองในอนาคตถึงสำหระบละเอียดพบ นี่แท่านทั้งหลายเอ๋ยจิตเตะทุกข์กะถึงปฏิการขาทาั้ทงชีวิตโถอทุกขะถึงปฏิการขาทุกข์กะถึงปฏิการขาจิตถึงความสุขความเจริญชีวิตแล้วท่านจะมีกับความสุขไม่หยุดนอนทุกขกระถึงปฏิการขาจิตเศร้าหมองไม่ไม่จะพักสอนมีจะกิเลส น, นานาประการอยู่ในจิตสันดาที่เ ก, ก, ก ล, ลียดตลอดกาลเวลา ไม่อยากจะสร้างความดีอันใดทาจัจจกแม่ตาสามัคคีไม่มีินไหนทำอะไรก็ไรผลทำอะไรก็ไม่ได้ ก, ก, ก็สัดกะสานงานในชีวิตจะแล่นแทน้ต่อไปจนถึงแดนทุกข์ขัดขืนตัดจังขานจะไม่ไปโ่แดนสุกขาวว่าดีไม่ได้สร้างความดีเขาได้ คนประเภทนี้ทํายังไงก็ดีไม่ได้ตลอดการเสือก็ไม่ปลใส่ก็ไม่เดินเกินก็ไม่ตัดไม่ปรหยัดเวลาอันในดผ้าก็ไม่ต้องเติมปล่อยให้มันขาดก็ก่อนก็แต่งเป็นก็บอนก็แบนตลอดไปการาเกินหนะ้าเกินหลังหมัอนนุ่งผ้าลอยชายใช่ไหมหนุ่งผ้าลอยชายไม่เสมอกัน เหมือนเราโน้งผ้าลอยชายไม่เสมอไม่พาเหยียดชายผ้าล้มตายก็ลอยชายเหมือนบุรุษเผดมนุษย์บุรุษลอยชายลอยไปลอยมาเหมือนเผดมนุษย์ไม่มีความจะพิ้งตด ด, ดุติกันได้จะประการใดการที่ท่านจเจริญกรรมฐานเนี่ยสร้างความดีให้แต่ทีทั้ง ท, ท่านเองไม่ใช่มากันสองวันแล้วก็ได้ผล มาเจ็ดวันแล้วก็ได้เรื่องได้ลาวไม่ได้เรื่องได้ลาวถ้าท่านทาตั้งใจจริงๆแล้วถ้าเจ็ดวันก็พอจะรู้ได้บ้างว่าอ๋อมาเจริญกรมมฐานต้องการจะให้ฐานะดีให้มีเครื่องสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบมีเครื่องครบเหมือนมีครอบครัวมีครบเครื่องทายไม้สอยในครอบครัวของตอน จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสู่สถานการตลอดเวลาการบ้านหนึ่งมีใหญ่โตมโหฬานแต่ไม่มีเส้นครบขาดปกบกช่องมากหลายขาดน้ำขาดไฟขาดเข้าสุขเข้าสารขาดเนินทองต้องประจงขาดโน่นขาดนี่ตลอดไวลการชีวิตก็แรงแขนทีเ ชีวิตเราเห็นจะไมสูดแดนสุนขาวว่าดีแน่นอนสุดท่นานญาติโยมทั้งหลายเองยที่ท่านมาปฏิบัติกรรมฐานท่านคิดมั้งไหมมาเพื่ออะไรต้องการอะไรตรงไหนอย่าได้อา่านคิดได้อ่านออกบอกได้ใช่เป็นแนละ้วท่านจะได้ประโยชน์กรรมํชีวิตมากท่านจะได้กําไรชีวิตอย่างมหาศาลชีวิตจะเป็นแก่นสาร เมื่อแท้ของชีวิตก็คือความดีของจิตเมื่อแท้ของจิตใจคือความดีของชีวิต ช, ชีวิตไม่แลงแท้ชีวิ ต, ม, วตมีแต่เละแผ้นถังชีวิตเป็น่ารสานอยู่เย็นเป็นถุกตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าแต่มือพ่อมีครัวสามีือพยาก็ยาอยู่การดูสีขาววะดี อยู่การด้วยความสุขความเจริญในครอบครัวครอบท่วนความเดือดร้อนมีทั้งธรรมชาติธรรมะมีทั้งสติมีทั้ทงปัญญามีทั้งการแก้ปัญหามีทั้งแทนเมตตาซึ่งกันและกันสา ม, มีภรรยาก็น้ําหนึ่งใจเดียวกันรักประครงถนอมน้ําใจกันสา ม, มีก็ถนอมน้ําใจภรรยา ภรรยาก็ให้เกียดเคารพ บ, บูชาสามี อ, อย่างดีเหมือนพ่อเหมือนแม่สามีแม่มได้รับการยกย่องอย่างนี้แล้วก็ยกย่องภรรยาเหมือนแม่บ้านแม่เรีอยไม่แชร์เชือนแต่ประการใดนับถือเป็นแม่ว่าเป็นแม่ที่ดีของลกูกเป็นแม่บ้านการเลีอยเชีอยชาตที่ดีของบุตรที่ดา เกิดยกย่ยองขึ้นกาลกันแล้วตา่ตางโงาางคนต่างยกย่องการต่างโคนต่างรักเคารพนับกันจะไม่มีเรื่องเกเลรนี่ดูด้วยธรรมชาติอันชูชันดูด้วยความสุขความเจริญในข้อควขั้นตอนนี้มีความสําคันธอย่างนั้นญาติโยมอุบาสกอภิชาติทั้งหลายเอ๋เราได้รับความย่อมเยินเป็นศุขมานี้ก็เพราะธรรมะ ั่านสอนขององค์สมเด็จพระจินาวราสัะระดาพระมาสมเด็จเจ้าของเรามาตัดในโลกเมื่อสมัยก่อนมีนานมาแล้วหลายหมื่นหลายพันปียังไม่มีพระพุทธเจา้าพระองค์นี้มาตัดในโลกเรายังมืดม น, านาอนาถรลอนจิตตลอดเลยการไปหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยจงไปหาผีเข้าเจา้าชองไปหาต้นหมากลากไม้ไปบูชาเทวดาบูชาผี อาที่พึ่งต่างต้นมากรากไม้นานาประการจนกว่าจะมาพบองค์สมเด็ดจพระบรมศาสดาพระมาพุทธเจ้าของเหล่านั้นมาตัดในโลกเราก็าได้เกิดแสงสว่างมาของพันกว่าปีแล้วอย่าโยมทั้งหลายเอ๋ยเรามาพบเพชรแล้วมาพบทองคําแล้วอย่าด้อยทิ้งทองคาอย่าด้อยทิ้งเพชรก็เลย เอาเพชรมาใส่จิตใช้ชีวิตต่อการงานแลนะหน้าที่จิตจะได้แจ่มใสใจสะอาดหมดกอดนี่เรามาพบของดีแดก้กแต่เราไม่ได้พบพระพุทธเจ้ามากรับในโลกแลกคือพระพุทธาศาสนาของเรานั้นเราจะมืดไปแค่ไหนแ้่มีพระพุทธเจ้ามีประสงค์สาวกของพระองค์มาสอนประชาชนให้พบ สอนประชาชนให้มีแต่ความสุขความเจริญเรายังไม่เอาอีกหรือจะตามได้กระทั่งที่สอนอยู่แท้ๆก็ยังไม่เอาเรื่องเอาลาวโคนอาพาพบุคค ล, คบบคคลเป็นบุคคลอ่าก็เหนียบจังลายเป็นบุคคลมาจากเมืองนรกไม่ชอบพบความดีต้องการจะอยากพบจากความทั่วตลอดไปจึงไม่สนใจต่อธรรมะ ทำสอนของพระพิฆ เ, เจ้าแต่ประการใดชอบจะเสร็จถนวนหัามคบชอบจะคบทานมันก็จะได้ผดาเราไปคบบันดุถึงจะได้ผ่อนถ้าคบคนทั่วทำตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายเมาเทศหรือก็หมดค่าเมาศีลาหมดความสำคัญเมาตานขนานหมดตัวเมาเพื่อนพั่วหมดดีฆ้าความดีไม่ได้เลย ถึงหากก็ยังมีเระพจทธเจ้ามีอกาปะนามาที่แกงสแสดงสอนก็ยังไม่มีใครเอาผ่านไปอย่างหน้าที่ได้ของจกจะผิดหวังในชีวิตในเมื่อเวลาใกล้ตายใกล้ตายจะคิดถึงพูดโพล่จะทำโมจะสังโฆก็ยังคิดไม่ได้ตายอย่างหน้าเพิ่งพึงตายอย่างหน้าหลับพึ่งและคิดถึงแต่ลําพันไม่ได้ยังมีเป็นต้น พูดบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรอย่ามัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการไปสามกองกองเขาเสมออย่าเลินเลี่ยงควรรมประกรรมมาถามไหนไหนที่สุดชีวิตเราต้องตายอยู่กันทุกคนองตายไม่ว่านมต้องสาวก็ต้องตายฉะนั้นหน้าเขาขาวก็ต้องตายจากโลกไปมาเร็ ว, เรวนี้สาวตายจะเป็นแถว นมก็ตายจะเป็นแถวปฏิเหตุตายกลางถนนทุ้งทางหน้าที่ายเวลาของเธอที่มีอยู่ไม่อย็นสนใจในความดีเลยไต่สนใจจากความชั่วชาสามางคนประเภทชั่วเนี่ยมันสร้างความดีไม่ได้หรอกคนประเภทดีมันจะสร้างความชั่วไม่ได้คนดีเห็นจะไม่ทำชั่วคนชั่วเห็นจะทำดีไม่ได้เนี่ยชีวิตที่สด มาเดี๋ยวสนใจในความดีเหล่านี้แต่ประการใดก็ออกมาในล็อกของเขาเองเขาเข้าล็อกไหนมันก็เดินล็อกนั้นคนดีมีปัญญาเขาจะไม่เข้าล็อกทางทั่วแต่ข้ากลัวให้หลอดตอดไทยไม่มีเสน่ห์จังไรจต่ประการใดดูได้ไม่ยากนะักยิ่งดูก็ยิ่งเห็นยิ่งเป็นขยาหลักฐานว่าคนข้างความชั่วกับความดีมันตรงกันอย่างนี้แต่นอ้อ แีก่ท่านทั้งหลายเราคงไม่ผิดหวังถ้าเราตั้งความหวังไว้ในใจว่าข้าพเจ้าตั้งความหวังไว้ให้สูงว่าจะไม่ผิดหวังในชีวิตที่เกิดมาในสังคมโลกมนุษย์นี้ให้ถึงได้ข้าพเจ้าจะสร้างความดีให้มาผิดกฎถึงตายจากโลกภครจะไม่เสียตายจะเประการใดข้าพเจ้าจะไม่ผิดหวังต่อชีวิตในความดีอันนี้แหลถ้าเราผิดหวัง นี่เราเราตั้งหวังไม่อย่างไรแต่ใกล้ตายเราไม่ได้สร้างความดีเขาเลยจะคิดถึงความดีจะผิดหวังอย่างน่าสุดายที่เกิดมาตายแสดงต่อเสียใจต่อภายหลังว่าเรามาพบของดีในศาสนาแล้วเราก็ยังไม่สร้างความดีอีกเรายังไปสร้างความทั่วเอาตัวอับบางชอบเอาบุญไปทํา ช่วยสงฆ์ครอบคนอื่นแต่สงฆ์ครอบตัวเองนั้นไม่มีใครช่วยสงฆ์ครอบคือการจเจริญสัตว์ธรรมท า, านโดยตั้งสติปัฏฐานสี่ให้มั่นคงดำรงศาสตร์ให้มีอสติปัญญาแก้ไขปัญหาในครอบครวัวและให้ลูกโดยดีมีปัญญาเด็กน้องพระเดชกุล บ, บิดดอมารดาที่หัมไม่กำเนิดเราเกิดมาเป็นต้นเราจะได้ดำรงวงระโพมิ่งให้สาดศูนย์เกิดการด่า ก็ยังทำไม่ได้อีกการจะไปหาอะไรที่มันจะวิเศษวิโสไปกว่าพระกาศสนานจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรวิเศษวิโสอย่างนี้อีกต่อไปแล้วโยมเอ๋ยเรามาพบเพศแล้วอย่าผิดหวังคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเพคครบของดีครบทองคำาร่อหลอมม่มในจิตใจด้วยการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วอย่าผิดหวัง ตรงตั้งความหวังให้มากที่สดเท่าที่จะมากได้ในความหวังของชีวิตอันนี้เนี่ยมันจเจริญและกรร ม, มาฐานเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแล้วกุศลธรมรมะกุศลธรรมะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพาตัวอพาเราจะฆ่าความชั่วทำไมซักเรามาพบของดีแนวกว็หยัดซื้อเอาของดีเกลืิไปทาไม เราเอาเจ้ของทั่วเอามาไว้ในตัวเราทำไมเล่าหน้าผู้ได้ความคิดอันนี้เหนือนเกินหนอถ้าผู้ไดคิดหนอทุกหนอข้าพเจ้าคิดได้เลยจะสร้างใจสร้างความดีตั้งแต่วันนี้ันก่อนไปให้มากทิ่สุดเท่าที่มากได้แสนจะยากลําบากเหลเือเกินเกิดมายากเหลเือเกินธรรมที่น้องทั้งหลายเอ๋ย ไม่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ง่ายเลยติโมมนุษย์กับปีลาโพนี่หนอเรากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีมือสองขทาสองกระมหม่อมหนึ่งเกิดมาก็าโชคดีไม่เป็นไม่บ้าจะิตจิตมนุษย์แต่ประการใดน้นาบัรโชคดีที่สุดเลยแต่เราเกิดมาเราจะเห็นบางบ้านใจเที่ยงกลเรือนเทีเ่ยงกันเกิดมาตาบอดหูหนวกห้อยเปลือยเทขาแขนไม่มือขาไม่ม บางคนก็เกิดมาเป็นไม้บาที่กระดิิตมนุษย์ตลอดท่าทั้งตายหน้าทิฏายถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างจะเป็นอย่างไรทิีิมั่งไหมทิฏิว่าเราอ๋อเกิดมาทั้งทีนี่นะเกิดมายากแสนจะยากหลือเกินควรจะฆ่าความดีให้กับชีวิตของเราให้มากสุดๆจะทำไม่ได้หรือรายการใดอันาทิฏายชีวิตของท่าน เราจะต้องซางรกับเขาไม่ได้อย่าเป็นประเทศไก่มาประเทศไก่มันก็ไม่รู้จักเพชรมินจินดาเหมือนมนุษย์กายชนและธาติไล่ความดีเช่นนี้นะ่ะเหมือนประเทศไก่ไม่อยากได้เพชรไม่อยากได้ทองคาเพราะมันคนละเหมือนกันเราไอไก่เนี่ยมันไม่รู้จักเพชรไอไก่เนี่ยมันไม่รู้จักทคามั น, นจึงเกลื่อทิ้งไปเหมือนคนที่ไม่รู้ภาษาคนที่ไรมนุษย์กายธาติ ขาดศักยภาพของชีวิตแล้จะไม่ลู้ของดีจะไม่มีโอกาสสร้างความดีใชของหนึ่งของชั่วเห็นของชั่วกลายเป็นของดีเห็นโกงจากเป็นดอกมัวเห็นความชั่วเป็นความดีแล้วเศษผีในใจไแเล่นใบบนบกสร้างกระตุกลามกต ก, กกระโตกตลอดรายการท่านจะดีได้หรือรายการใดเรามาพบของดีแล้วอย่างให้มั น, าน่านไปแค่ทำไมเล่า การทั้งหลายเอ๋ยติโชหมนุษย์กับปัตติลาโพเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากมนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคนเท่ากับปัตติลาฉานเกิดขึ้นล้านตัวเนะเกิดขึ้นตองล้านตัวเฉลียวออกมาอย่างนี้ขั้นตอน ป, ปาัาตลาธาเพียทีไปเกิดเป็นสัตติลาฉานเท่าก่อนนาที่ได้มากเรามาเกิดเป็นมนุษย์บริสุทธิ์มีตาหูก็ดีรูปร่างหน้าตากด็ดีทุกคน ทำไมถึงไม่โกรนใจความดีเช่นหน้าตาดีๆเหมือนอย่างที่เกิดมาเช่นนี้ล่ะอ่างปลาทุกชนพุทธบอลรศสตร์ทั้งหลายควรคุ้มขวายความดีตั้งแต่บัดนี้กั น, นต้นไปอันจะมาอ ก, กันวันของวนันครึ่งวันท่านจะได้อะไรหรือแต่เชว่าอ๋อความดีข้างมันน่ะมันนั่งก็นิดหน่อยชั่วโมงเดียวก็เอาวมาทราบความดีน้อยมาก างความทั่วมากกว่าความดีแล้วผสมบวกรบคูณหายเอาเครื่องคอมพิเตอร์มาคิดกันดูบ้างซึ่งมันจะได้ดูหรือได้ทั่วมันจะติดลบติดบวกประการใดท่านจะรู้เห็นแจ้งใจของท่านเองตัดจัดต่างเวทีับโอบลงดูหิรู้ไดายเฉพาะตัวท่านเองเนี่ยดูทั่วประการใดท่านจงยอมรับความจริงบ้างซึ่งบางคนไม่ยอมรับความจริงเลยเอาแต่ทั่วใส่ตัว ศัสตร์ของดืออกจากตัวไปหน้าที่ได้มากไม่ต้องคนงโง่เช่นนี้เอาแพชออกจากตัวเอาความชั่วมาใส่ตัวความดีเอาออกไปทีงหน้าที่ดายควรจะกำจัดความชั่วออจากตัวเอาความดีเข้ามาใส่เหมือนเพชรนิมจินดาแก้วกาลึกแก้วสารพัดนึก เราจะได้นึกเงินนนท์ก็ได้หลายนองนึกทองก็จะไหลไหลเข้ามาเป็นก้อนเราก็จะเลยรู้เหตุผลว่าเรารักเขาเขาต้องรักเราแน่เราต้องรักเขาก่อนเราจะอยากได้ของเขาเราต้องให้เขาก่อนอยากไปเอาของเขาก่อนเลยท่านขาทุชนทั้งหลายเราอยากได้อะไรก็ให้เขาไปมากเขาอะไรเขาก็ให้คืนเรา เราให้ความรักเข้าไปเนี่ยแม่คุณเอย๋ยพ่อคุณพ่อทูนหวัวแม่ทูลหวัวเขาก็ต้องรักเราสนองงานกับเราอันคานดีอันเด่นทับให้กับเราจงได้เราต้องการให้ของคนกระหมือให้ของที่ถูกใจเขาก็จะพอใจเยาะยอัจฉรยาสายที่เราให้ของดีเขาไปฉนั้นเขาก็ต่อของดีมาคืนให้เราทันใดก็ฉนนั้น เราข้าความดีจเจริญกรรมาฐานฐานะเราก็จะดีจะได้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีท่านไม่่อบก็ไม่เป็นไรท่านจะยอมผิดหวังตลอดไปก็ตามใจในครอบครัวก็หาความสุข ก, กำาดาในชีวิตไม่ได้อีกแล้จสมมือความสุข ก, ก็น้อยจนทีมีแต่ความทุกข์ละทมทมคืนตลอดเลยกามมีทั้งลักแท้แน่นทวงหิงหวงหนักหน่วงในผูใน้ใจ ปมิต่เหตุล้าอยู่ในใจเสนอท่า น, นจเจริญกุศลภาวนาสร้างปัญหาโดยจะแก้ปัญหาชีวิตได้ท่านจะมีกับความสุขความจเจริญความทุกข์จะหนีออกความถูกจะมาแทนที่ท่านจะได้สร้างความดีให้กับลูกหลานท่านต่อไปในอนาคตสนองพระเดชกุล บ, บิดามารดาท่านท่านได้สมปราถนาทุประการถึงจะได้ผล ด่านีิสงอย่าให้ล่ฆ่าแต่ประการใดอย่าให้เป็นเพชรกลองอย่าให้เป็นทองคำกลองเลยอย่าเป็นทองทุบข อ, อเป็นทองบริสุทธิ์อย่ากลายเป็นทองทุบทองทุบนี่มันทุบหนามันก็หลอกชาทุบชุบบางมันก็หลอกวายถึงจะหนาบางอย่างไรมันก็เป็นทองทุบตลอดไปข้างในเป็นกรบตัว อ่างในเป็นทองคำข้างนอกเป็นทองคําถึงจะไปทุกให้ดํำยังไงมันก็ดําไม่ได้มาทองคํามันอยู่ข้างในมันก็กดใสปลอดกลร่งโล่งใจสะ mm. ดวกสบายจิตใจก็โปร่งใสจิตใจก็มีปัญญาอยู่ทองคําในภัยจุดมีอเพชรน้ําหนึ่งที่กจะจกมีความจริงใจไม่พูดเพชรในพูดก่อเกียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจอเลอะเมงเปรี้รยวลดคดเคี้ยวอีกสอบผ่าน เนี่ยท่านทั้งหลายเอ๋ยเจริญจะกรร ม, มาฐานดีที่สุดถ้าจะได้พบของจริงก็เรามาจเจริญกรร ม, า ม, มาฐานอย่างตา่ำต้องเจดวันถึงจะรู้ของจริงเรามากันสองวันวันเดียวท่านจะรู้ของจริงรายเยือกอาจจะได้ของปลอมไปหน้าที่ดาที่ย้อมใจไปชั่วคราวให้กรรมาเปรียบเทียบโยมฟังให้ไปคิดกันนะอคิดกันเหมือนข้ามาบวชนี่ละคนเดียวาการเจ้ามาจากบ้านมันก็ไม่มีเยือก หาดีไม่ได้ก็อเอาของแก ท, ท, ท, ทิ้งแบงแกอยาเอมาใชแบงเแอมาใช้เนี่ยใช้ทีไหนแก้มันก็ไม่ได้แก้มันก็ไม่ตกต้อง ท, ท, ทิ้งแบงแกจะมาสร้างความดีก็ต้องละความทุกขถึงถจะถูกต้องโยมมาทำบุญก็ต้องละบาปไม่เะนนั้นบุญไม่มีลูกเข้าไม่มีช่องเข้าไปหาให้เคยความสุขแน่นอนที่สุดไม่แต่ความทุกข์ค ว, วามยากความลำบากตลอดรายการ เราเสียใจตลอดชาติตลอดการาวสารแนะ่นอนที่สุดน้องที่รักทั้งหลายเรามาแค่วันของวันยังไม่ได้อะไรมากนะพยายามกำหนดจุดอายุนะะชาบิ้งคือเห็นหนอเสียงหนอโกรธดีใจเสียใจกำหนดหายใจยาวอย่าหายใจเร็วมันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้าพอดชาจะได้พลาของเล่นงาม ถ้ า, ายพ่อภายแม่ถายตลาดตลาดจะวายใช้บัวจะนาโกไม่แก่อยู่กแจไม่ถายจะถายไปไหนได้ใช่บัวก็นาตลาดจ ะ, จะวายตอลอดเลยกาไปไม่ทันชาบ้านเพรานะแโกรดและแก่โธ่ตับปรีพ่อกังวลใช่บ้างโกแกออกที่กัแจถ่ายออกไปอย่าไปหลงคนดนใจในบ้านเสมอไป ปัริโพธิ์กังวลอะไรไม่ได้เลยก็โธ่ไม่แคร์จะแจ่มไม่ไขันเลยไปไหนไม่หลอดกระตุกโธ่ตลอดไปไม่ได้ของดีที่จะไปใช้ไปไประโยชน์ในชีวิตนี้แต่จะตามได้ก็ขอกระเรียนพรอย่างนั้นมีแหละตัวทมนุษย์ขวัญใจยากอย่าทําความง่ายนะอย่าทําความเป็นมนุษย์ให้มันตามก้อยไปกว่านี้เลยจะเป็นพิณาทุดายมากจะเป็นพระสงฆ์องค์เก้าประการที่มาบวชกันเนี่ยระวัง โปรดทิศเจรณาตัวเองเถิดจะไม่ชี้แจงให้อย่างอื่นต่อไปพิจารณาตัวเองเอาว่าดีหรือทั่วตัวก็รู้ตัวเองเป็นปกัรจัดการด้วยกัรทุกองค์ได้ดีหรือได้ทั่วประการได้รู้ตัวอยู่ด้วยกันแต่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับเป็นเรื่องของขั้นสังหลายสําหรับคนเนี่ยไม่ยอมรับก็มาเป็นของที่อยากเก้อมันก็ไม่ยอมรับ คนดีมีปัญญาจะผิด ต, ต้องยอมรับผิดดีก็รอยอมรับความดีไปข้งดีข้า ง, งทั่วรับผิดข้อบทุกประการตายูจมูกร่างกายใจอห้ยนนิ่งน่าขาดเป็นคู่ชางความดีตลอดไปไม่บังอาจเป็นเกิดแต่อ ย, ย่างนี้เตอ น, นกรณีจิตโฉมนุษย์ยยยยกับเวลาโพอญาติยอมก่อพิจารณาเกิดมาญาติไม่เชิง่ายเ้อเกิดมาอาการทันที่สองนั่ง ย, ออยันยองในท้องมารดาครบอาการเนี่ย นาโชคดีใช่ไหมบางคนเกิดตาบอดหูหนวกเห็นไหมห้ดูคนประเภทนั้นแล้วเราไม่คิดอะไรมากดูคอรทานใช่มันคือมานั่งแขนไม่มีถามมือมาคอร์ทานครับคอทานนั่งคอทานไปดูคนประเภทนั้นขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าอย่างไรดูประเภทสูงไปพบเป็นเกิดสีหมาเกิดสี แต่ดูไปก็เราก็เสียใจเราไม่เป็นเศรษฐีเ ท, ท, ท, ท, ท้าดูให้ต่ากว่านั้นลงไปนางโคทานเราก็นึกดีใจว่าเรา vẫn ยังไม่เป็นคนโค้ชทานที่ถนัดนะยังมีกิจการงานอยู่ยังมีพืชขรณะที่ต้องประกอบอาชีพการงานเราก็ดีใจก็ทําำให้มันดีขึ้นอันนี้เกิดแสงสว่างมกกรกมรรคทางตรงทางเราไปตลอดชีวิตนี้ชีวิตหน้าต่อไปนี่แหลที่น้องที่รักทั้งหลายโปรดพิจารณาข้อนี้ สอสักหน่อยเถิดเนี่ยของที่หายากอย่างนี้แล้วเกิดมาเนี่ยจะได้พบกระทำคํ า, าสอนก็แสน จ, จะยากมีความหมายอย่างนั้นเราจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจา้าก็แสนยจงยากมากด้วยเกินอีกครั้งกับท์ธรรมัทสวรนางเป็นตน้นเราจะได้ฟังธรรมของเราพุทธเจา้าก็ยากมากเนี่ยมีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อย โดยการปฏิบัตินี่เดี๋ยวเรามา ด, ด้วยฟังธรรมด้วยเราก็ปฏิบัติด้วยเสึกโชพูธานมุปาโทก็แสนจะยากอยู่เหมือนกันยากอยู่เหมือนกันที่จะได้พบพระพิธธาพะจารณาพบพระศาสนาของเราอย่างนี้หายากมากแต่บางหลายเ๋ยโปรดพิจารณาการให้ใจของแท้แนนอนตลอดการาการเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยสา ม, มารถที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตกายทั้งทางโลกกังคำ จะทำอะไรก็ไม่ผิดใช้สติปัญญาก่อนเสมอคิดหนอคิดหนอก่อนใช้ทำจะพูดจาก็คิดก่อนจะทำก็ตั้งคติก่อนจะคิดอะไรไม่ออกก็กำหนดคิดก่อนท่านจะไม่ผิดพลาดจะไม่มีความประมาทที่คิดต่อไปแน่นอนอขอท่านอย่างหลายตจ้งใจปฏิบัติกรรมาฐานเดินรงกรมให้มันชัดและก่ให้ช้าเดินหนอให้มันช้า การกำหนดสั้างสติให้ได้รับรองได้ผลแน่นเรียนไม่เดือดร้อกันเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะได้ผลแต่ประการใดทําให้มันได้ผลเนีย่ยสมค่าปาัจจันาที่จะต้านท่านจะกลับไปบ้านแล้วก็จะทำให้ติดต่อกันตานจะไม่ไร้ผลชีวิตนี้จะมีกับคุณค่าเวลาจะได้มีประโยชน์จะทําอะไรก็ได้เป็นมากเป็นผล จะทำอะไรก็มีอถึงมือสติปัญญามือสมาธิดีงานการก็ไม่เสียปัญญาก็เปิดแก้ไขปัญหาได้ปัญญาจะได้หลอกลี้ในกองการสั้งฐานท่านจะได้อ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นจะทําอะไรก็เห็นตัวตายไม่พลาดใน่ผิดอีกต่อไปถึงจะมีพลาดผิดก็น้อยกันทีมีความถูกต้องมากกว่าผิดแต่เราขาดสติแล้ ว, ลวมันจะผิดมากกว่าถูก ใอ้ความผูกน้อยความผิดมันมากจะแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้เลยก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอจับเตือนให้อุปการให้อุวาไปโยมจะได้เข้าใจพ้อคิดพอเห็นพิดพิจารณาตนบ้างให้พิจารณาตัวเองว่าดูชั่วประการใดไม่ต้องไปถามหมอดูที่วัดไหน ไม่ต้องไปหาหมอดูเราเป็นหมอดูตัวเองจะได้รู้เหตุผลต้นปลายรู้เหตุรู้ผลลู้ถูกต้องรู้ก า, เาะลเทศการิตกแลขณะควรไม่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมเราก็จะรู้ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นันนีประโยชน์แก่ตนและอนาคตอีกยาวนานจะตายมืขอข้อนมโทนาสาธิกาแกรร่ที่ปฏิบัติธรรมทุกท่านผู้มีประโยชน์แกชีวิตแจ้ ที่ด้วยคนท่านจะได้มีประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่ต่อไปมีอะไรก็ไม่ระแวงแทงใจไม่ทะเลาะวิว า, ากะะทกันมีแต่เมตตาปลามีกันมีแต่ักกันมีแต่เมตตาช่วยเหลือกันถนอมน้ำใจกันมีอะไรก็หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันระหว่างสามีภรรยาระว่างพี่น้องท้องเดียวกันระหว่างา ญ, ญากิต่อญากระหว่างพี่ต่อน้องระว่างพ่อแม่กับบุตรธิดา วางญาติต่อญาติวางศึกตอ่อคูบาจานมีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเมียก็สนองเด็กศัพท์ตลอดการทันชีวิตจะแก่ใสายใจสะอาดหมดจดน้นทองคําธรรมชาติหล่เอเหลาข้อํานาจคุณปฏิยัตินากใจแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังการมิภาพโืยอํานาจบุญกุศลที่เราได้สร้างมาทุกประการนั้นโดดมาดานให้ทุกท่านประคบจากความเจริญเรืงเอง วัฒนาสถานพรโดยทุนากันขอทุกท่านรงเกรินไปด้วยอายุวันหน้าสุขาพระาปฏิภาณถนาดพรนารนาและสมบัติไม่เชื่องอีประการได้สมความมุ่งมากนับทีหาด้วยการทุกลูกทุนงานณโอกาสบัดนี้เชิญ